ทรงบรรลุวิชาสามในราตีทั้งสามวิชาที่หนึ่งทรงระลึกถึงปุเพนิวาสานุสติยานในปฐมยามเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเครื่องยียวนปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานเรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสาสชาติบ้างสี่สิชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกัเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวษสุขเศรษทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ เราย่อมระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการชน้ดูก่อนพามวิชาที่หนึ่งนี้แรเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตีกาจัดอวิชาเสียได้วิชาก็เกิดขึ้นกาจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาท มีความเพียนเผากิเลสให้เร่าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นพระศาสดาทรงละลึกชาติได้นับไม่ถ้วนทรงแทงตลอดนามรูปและทรงบรรลุวิปัสสนาญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณในปฐมยามแห่งราตีวิชาที่สองทรงชำระทิพจักขุญาณในมชิมะยาม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 มีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนษทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิชาทิชิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิชาทิชิ เมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหรานี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เรานั้นย่อมเห็นหมู่สัตว์กาลังจุติกำลังอุบัต เลวประนีดมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธ์ล่วงจักษุ ข, ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนนี้ดูก่อนพามวิชาที่สองนี้แรเราบรรลุแล้วในมัชมะยามแห่งราตีกำจัดอวิชาเสียได้ วิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นวิชาที่สองนี้ชื่อว่าจุตูป ป, ปาตายานหรือทิพจักขุยานคือยานกาหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายและเมื่อพระาศาสดา ทรงกําหนดเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทํากรรมอะไรไว้หนอจึงมาเกิดในนรกสวยทุกข์อย่างแสนสาหาัสและหมู่เทพเหล่านี้ทํากรรมอะไรไว้หนอจึงมาสวยสมบัติเห็นปานนี้นี้ชื่อว่ายะถากรร ม, มุปคยานคือยานเป็นเครื่องให้รู้ถึงสัตว์ผู้เข้าไปรับผลตามกรรมที่ทํามาในมชิมะยามแห่งราตรีพระศาสดา ทรงบรรลุวิปัสสนาญาณที่สองนรูปปัจจัยปริคหายานพระโพธิสัตว์ทรงแทงตลอดปฏิจจะสมุบาทในปัจฉิมยามพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ในมหาสักยมุนีโคตามาสูตรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก่อนแต่การตัดสรุ้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตัดสรุ้ เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งทำเป็นที่สรัดออกจากกองทุกคือชาาและมรณะนี้ได้เลยเมื่อใดหนอททำเป็นที่สรัดออกไปจากกองทุกคือชาาและมรณะนี้จึงจากปรากฏ โ พ, พธิสัตว์ทรงพิจารณาวัตตะดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติแรมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมีเรานั saints, ah. is, oney, és, ้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอ un really ุปาทานเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงร um ู้ได้ด้วยปัญญาว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัญหาเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัญหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพร ก, การใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งร้ายจากักษุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งร้าย ที่เราไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนว่าเหตุให้ทุกเกิดเหตุให้ทุกเกิดดังนี้พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาวิวตัตตาดูก่อนพิสุทั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้เมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะนามรูปดับ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 วิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนว่าเหตุให้ทุกข์ดับเหตุให้ทุกข์ดับดังนี้วิชาที่สทรงบรรลุอาสวะขยะยานในปัจฉิมยามในปัจฉิมยามแห่งราตรีหลังจากที่พระโพธิสัตว์ ทรงพิจารณาการอาศัยกันเกิดขึ้นแห่งทุกข์และการอาศัยกันดับไปแห่งทุกข์ระหว่างองค์สิบสองของปฏิจจสมุปาทแล้วพระโพธิสัตว์ได้ทรงเจริญอาณาปานะสติจนถึงจะตุทะฌานอีกยามนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเครื่องยียวนปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงาน ตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็ทรงโน้มน้อ ม, อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานโดยทรงพิจารณาพัไตรักได้แก่อานิจจาไม่เที่ยงทุกข์ขาเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนอันเป็นสภาวะตามธรรมชาติทั้งของนามรูปพร้อมทั้งเหตุปัจจัยแห่งนามรูปทรงเจริญ โซระสะยานต่างๆที่เหลือได้แก่ 3. สมะสนญยานยานที่กำหนดพิจารณานามรูปคือขันหตามแนวไตรักษ์ 4. อุทย พ, พยานุปัสนายานยานอันตามเห็นความเกิดและความดับคือพิจารณาความเกิดขึ้นและดับไปแห่งเบญจขันธ์จนเห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ขั้นแล้วก็ต้องดับไปล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมด 5. ้พังคานุปัสนายานยานอันตามเห็นความสลายคือเมื่อเห็นความเกิดดับเช่นนั้นแล้วคํานึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้นก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด 6. พยาตูปัฏฐานญาณ ยานอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวคือเมื่อพิจารณาเห็นความแตกสลายอันมีทั่วไปแก่ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนั้นแล้วสังขารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นไปในภพใดคติใดก็ปรากฏเป็นของน่ากลัวเพราะร้วนแต่จะต้องสลายไปไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 7. อาทธีนวานุปาานัสนาญาณยานอันคำนึงเห็นโทษ คือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงซึ่งล้วนต้องแตกสลายไปเป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแล้วย่อมคำหนึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่มีความบกพร่องจะต้องละคนอยู่ด้วยทุกขปดนิพิทานุปาาัสนาญาณญาณอันคำหนึงเห็นด้วยความหน่ายคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นโทษเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดความหน่ายไม่เพลิดเพลินติดใจเ้ามุลจิตุกัมมยตาญาณญาณอันคำหนึ่งด้วยใครจะพ้นไปเสียคือเมื่อหน่ายสังขารทั้งหลายแล้วย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น 10. ปฏิสังขานุ ป, ปัสนาญาณญาณอันคำหนึ่งพิจารณาหาทางคือ เมื่อต้องการจะพ้นไปเสียจึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากำหนดด้วยไตยรักเพื่อมองหาอุบายที่จะปลดเปื้องออกไปสิบเอสังขารุเบคาญาณญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขารคือเมื่อพิจารณาสังขารต่อไปย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของสังขารตามความเป็นจริงว่า มีความเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาจึงวางใจเป็นกลางได้ไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลายแต่นั้นมองเห็นนิพพานเป็นสันติบทญาณจึงมุ่งแล่นไปยังนิพพานเลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได้สิบสองสัจจานุโรมิกยานหรืออนุโรมยาน ยานอันเป็นไปโดยอนุรม์แก่การอย่างรู้อริยสัจคือเมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายไม่พวงและยานแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้วยานอันคอยตามต่อการตัดสรู้อริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ 13. โคตรภูยานยานครอบโคตร คือความอย่างรู้ที่เป็นหัวต่อแห่งการข้าพ้นจากภาวะปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยะบุคคลได้ทรงรู้ชัดตามเป็นจริงว่านิทุก์นิทุกขะสมุทัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนิอาสวะสมุทัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธคามิเนปฏิปทา เมื่อทรงรู้เห็นอย่างนี้ก็ทรงสำเร็จโสดาปติมักและโสดาปติผลสกทาคามิมักและสกะทาคามิผลอนาคามิมักและอนาคามิผลอรหัตตมักและอรหัตตผลทีละลำดับอย่างรวดเร็วมัคคยาละกิเลสไปตามลำดับจนหมดจดเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือ คือวิปัสสนาญาณที่14มัคคิญาณและที่15าผลญาณจิตก็หลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากผวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้วิปัสสนาญาณที่16ปัจเจเวคขณะญาณว่าหลุดพ้นแล้วได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีวิชาที่สาอาสวะขยะยานยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนี้แลทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตีกำจัดอวิชาเสียได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้น กำจัดความมืดเสียได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นในเวลาลุ่งอรุณทรงตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราได้ทราบแล้วว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ของเราก็ได้ทรงเจริญโสรสะยานหรือยานสิบหกอันเป็นยานที่เกิดแก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมาย คือมัคผลนิพพานมี16ยานนับตั้งแต่นามรูปปริเฉตยานจนถึงปัจเจเวขณะยานการเจริญโสรสะยานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่พระเอาต่อยะผู้ปฏิบัติธรรมจะได้รับการสอนให้เจริญโสรสะยานทั้ง16ไปทีระยาน ตามลำดับอย่างเป็นระบบอุปมาว่าการที่เราจะได้รับปริญญาเราต้องเข้าโรงเรียนปฐมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทีละชั้นตามลำดับชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันการจะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราก็ต้องเจริญโสรสายานทั้ง16 ไปทีละยานตามลำดับด้วยประการชนิดขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุวิปัสนาญาณขออำนวยพรให้ท่านได้เจริญสมาถวิปัสนาตามลำดับอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพะนิพาณอันกเกษมสาธุสาธุสา ธ, สาธุเจริญพรและเมตตาเรวตะภิขุ พระเอาตอยะหมายเหตุพระอาจารย์เรวตะแสดงพระธรรมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษในวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2549ณพระเอาตอยะเมียนมา